ก็ทุกคนขอให้รู้ว่าเรานับเรานับถือพระพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนานั่นก็เพื่อที่จะฝึกกายวาจาใจให้มันบริสุทธิ์จากบาทจากโทษ ต, ต่างๆ นำพังแต่สติปัญญาของเราเองเราไม่สามารถที่จะละกิเลสบาปประทมต่างๆได้เราจึงน้ออาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่นะให้พากันเข้าใจการนับถือพระพุทธศาสนาเนะี่ยมันมีความหมายอย่างนี้แต่บางคนก็นับถือไปตามโอเพนีนิยมเฉยๆอันนั้นมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทันลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลไม่เต็มแท้ๆก็เรียกว่าให้มันได้สักแปดสิบเอร์เซนหรือว่าอย่างกลางก็มันได้ห้าสิบเอร์เซนก็นยังดีเพราะการนับถือหมายถึงการที่เราเรายอมรับ ว่าคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นนิยานิกระทํมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆคําคำว่านับถือนะมันมีความหมายอย่างนี้อันนับถือประกอบไปด้วยเหตุผลประกอบไปด้วยปัญญามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนับถือ ลมๆแรงๆไปโดยไม่มีเหตุผลเห็นเขากราบก็กราบเห็นเขาไหว้ก็ไหว้เขาไปแล้วตัวเองก็ไม่รู้จักความหมายอะไรอย่างนี้มันมันไม่ใช่พุทธศาสนิสนิกชนแบบนั้นนะคำว่าพุทธศาสานิกชนแปลว่าบุคคลผู้รู้ผู้ฉลาด ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าเราไม่นำชีวิตของเราให้ออกนอกทางของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านับถืออันนี้ให้เข้าใจมันทงแทแต่นั้นแหละกิเลสของคนเราเนื้อบุญวาระนาะ มันไม่แก่กล้ามันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนผู้ใดมีศรัทธามีความสามารถปฏิบัติตามได้เพียงเท่าใดมันก็ได้เท่านั้นไปอันนี้มันก็เป็นธรรมดาอันหนึง่งแต่ว่า ถ้าผูใ้ใดมันได้ยินได้ฟังมันสมาคมการบ่อยๆเช่นนี้มันก็มีเครื่องจูงใจให้เกิดความสามารถขึ้นแต่ถ้าไม่มีการประชุมกันไม่มีการอบรมสมโพธกันเช่นนี้กำลังศรัทธากำลังใจ ความสามารถนั่นมันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้ตนมีอยู่เท่าไร่ก็มีอยู่เท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจว่าการที่เราสามคคีกันการหมันประชุมกันตามการตามเวลานี่นะมันเป็นคุณธรรมนำมาซึ่งความเจริญ เป็นไปเพื่อความเจริญด้วยบุญด้วยภูสลด้วยสติปัญญาจริงๆเพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนหมู่มากดังนั้นเนี่ยพระศาสด า, าจึงได้ทรงแสดง อปริหารนิยธรรมเจ็ดประการไว้ให้พุทธบริษัททัานได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิตที่หมู่คณะจะพึงกระทำะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้ สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติได้แล้วนั้น <c oughs> พิกษุเราได้เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพตับถือเชื่อฟังท่านเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น ยินดีในเสนาสนะอันสงัด ต, ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษสุสามเณรอุบาสกวาสิกาซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งมาถูอามาดที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเราตั้งใจอยู่อย่างนี้หมายความว่าไม่ไม่ไม่ตนีอาวาตที่อยู่ที่อาศัย ท่านผู้ใดเป็นผู้มีศีลมีธรรมอนันงงามเชิญเชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันสามัคคีกันทำเหล่านี้ตั้งอยู่ในผู้ใดความเสื่อมย่อมไม่มีมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะต้องเรียนรู้ท่องจำ ให้ได้แล้วก็พยายามปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนเพราะมันไม่เรียนไม่รู้นั่นแหละมันจึงลงมือปฏิบัติไม่ได้อันนี้คันคนที่ไม่รู้เพื่อนนัดประชุมก็ไม่อยากประชุมแล้วไม่ประชุมทำไมมีประโยชน์อะไร นั่งลังคดลังแข็งเอ่าเป่ามันมองไม่เห็นประโยชน์นั่นเองพระพุทธเจ้าที่พระองค์รู้แจ้งแทงตลอดแล้วประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานองค์เจ้าถึงได้แนะนำสั่งสอนไว้เป็นข้ออัดข้อทมไว้ให้พุทธบริษัทนั้นเรียนท่องจำ ให้ได้แล้วลงมือปฏิบัติตามเช่นมันประชุมกันนนิดมันก็ดีเราประชุมกันอย่างนี้แล้วมีเรื่องอะไรแล้วก็พูดถูกกันฟังก็ได้ยินทั่วกันเลยไอ้เรื่องไม่ดีไม่งามอะไรมันเกิดขึ้นในหมู่บางทีมันก็ไม่รู้ทั่วกันเมื่อมาชนุ่มกันอย่างนี้ ผูเป็นบรมุขประธานก็จะได้ประกาศให้ทราบใครทำไม่ดีอย่างไรไม่ต้องละอายใจเพื่อนจะประกาศให้คนที่มาชุมนุมกันได้รู้ได้รู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดผิดพุทธบัญญัติด้วยผิดธรรมะที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ด้วย เช่นอย่างว่าไม่ชอบประทุมอย่างนี้นะชอบอยู่แต่โดยลำพังอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความเสือ่อมเพราะว่าตนเองก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรที่จะมาละกิเลสปาพธรรมให้บาบางออกจากคิดใจตัวเองเน้ออย่างนี้จะไปอยู่โดยลาพังนะ่าจะช่วยตัวเองได้อย่างไงแล้วจะเอา ญ, ญาที่ไหนมรละกิเลส ความทั่วลายออกจากหัวใจนั่นแเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพู้นั้นก็ไม่เกียบข้านในการประชุมกันอย่างนี้เลยก็มันขยันตั้ง อ, อกตั้งใจอีกอย่างหนึ่งการมันประชุมกันอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อความกองรองสามัคคีกันนี่เราพร้อมเพียง ทำความดีร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมพยายามมาให้ทันกับเวลามเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทํากิจที่หมู่คณะจะต้องทํานี่เมื่อคิดมีธุระอะไรเกิดขึ้นในหมู่ในคณะ จะเป็นในบ้านก็ดีในวัดก็ดีเมื่อผู้เป็นหัวหน้าประกาศให้ทราบแล้วเช่นนี้เราก็พร้อมใจกันช่วยกันจัดช่วยกันทำกิจโทระนั้นให้มันสาเร็จรู้ล่วงไปเช่นนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวมนีน่เราอยู่ร่วมกันถ้าหากเราไม่แสดงความสามัคคีต่อกันอย่างนี้ มันเป็นเหตุให้มองหน้ากันไม่สนิทอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้กิดการงานส่วนรวมนั่นตกค้างไม่รู้ร่วงไปได้มันมีทางเสียทางเสื่อมเนี่ยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ <c oughs> พุทธบัญญัติต่างๆพระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว มีครบบริบูรณ์แล้วข้อห้ามต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ผู้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นนักบวชก็ดยเป็นเครื่อหัดข้ดีข อ, ข อ, อย่าไปบัญญัติเพิ่มเติมอีกหรือว่าอย่าไปถอนข้อที่พระองค์บัญญัติไว้พยายามตั้งใจสมาทานมั่นศึกษาและปฏิบัติตามไปอย่างนั้นให้เต็มความสามารถให้ได้ <c oughs> อย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อความเจริญมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติไปล่วงเกินอย่างนี้มันก็มีโทษเมื่อมันมีโทษเป็นบาปําว่าโทษคือบาปนั่นเองเมื่อบาปเกิดขึ้นในใจแล้วใจก็เศร้ามองขุนมัว จะไปเจริญภาวนาสมาธิให้แก่กล้าขึ้นไปไม่ได้จะทำใจให้สงบะระงับก็ไม่ได้บาปมันบรบกวนเอามันเป็นงนั้นเพราะว่าสิ่งใดที่พระองค์เจ้าบัญญัติห้ามแล้วมันเป็นบาปทั้งนั้นหละถ้ามันไม่เป็นโทษเป็นบาปแล้วพระองค์เจ้าไม่ห้ามต้คิดอย่างนั้นอ ข้อนี้มันจึงเป็นไปเพื่อคมเสื่อมาหาผู้ใดไปล่วงพุทธาัญัติแต่ไม่เคารพไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ลงมือปฏิบัติตามนี่มันก็เสื่อมถ้าเป็นนักบวชก็ไม่เจริญลุ่งเรืองไปได้ถ้าเป็นคฆราห์ตก็เหมือนกันนะไม่เจริญด้วยบุญด้วยครูสอนทีนี้ถ้าเป็นฝ่าย ภิกษุสามเณรมันก็ต้องมีหัวหน้ามีพระเถระผู้ออาโศเป็นหัวหน้าเป็นประมุขของหมู่ของคณะเพราะว่าท่านผู้เชนั้นท่านบวชมาก่อนท่านมีอายุมากกว่ามีได้ประสบเหตุการณ์อะไรต่ออะไรมามากกว่าได้ฝ่าฟันอุปสรรค ต่างๆมาพูดสั้นๆว่าได้เพียรพยายามละความชั่วทำความดีมามากกรัวนี่ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านพอท่านได้พบได้ประสบเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรต่อไรมาก่อนแล้ว ดังนั้นเมื่อท่านมาเห็นคนที่มาในภายหลังเข้าทําอะไรผิดท่านก็รู้ทําถูกก็รู้อย่างนี้ดังนั้นเมื่อท่านทํานี้ตีเสียนว่าทําอย่างนั้นผิดผิดจริงๆอย่างนี้นะถ้าท่านไม่เห็นว่ามันผิดแล้วท่านยจะไม่พูดเลยพอท่านรู้เป็นอพ่างนั้นดังนั้นเน่ะอัน คุณธรรมข้อนี้มันก็สำคัญไม่น้อยนะสำคัญจริงๆอันนี้ถ้าวัดหนึ่งๆอันนี้ขาดสมภารเจ้าวัดที่มีความสามารถมีบุญญาบา ร, รมีแล้วอย่างนี้ลูกวัดก็แตกสมคีกันอยู่ไม่ได้เลยไม่มีใครเคารพนับถือใครต่างคนต่างก็ถือว่าตนเป็นผู้ มีคุณธรรมอไม่น้อมหัวหาใครอย่างนี้แล้วมันก็อยู่รวมกันไม่ได้เลยเหตุที่มันจะอยู่รวมกันได้ก็เพราะมันยกย่องนับถือผู้เป็นประมุขเป็นหัวหน้าเห็นว่าท่านมีคุณธรรมควรเคารพนับถือก็พร้อมใจกันเคารพนับถือ ยกให้ท่านมอบให้ท่านว่ากล่าวเนี่ยนำสั่งสอนได้เต็มที่เลยเช่นนี้แล้วมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญทีนั่นเองเจริญด้วยคุณธรรมอันดีงามเมื่อทำตามที่ท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามานะนํนำสั่งสอนเข้าเราพร้อมกันเชื่อนับถือท่านเลย ก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านแนะนำไม่ร่วงเกินอย่างนี้นะมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญจริงๆเลยต้องให้เข้าใจข้อที่ห้านะก็สำคัญไม่ใช่น้อยทีว่าไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาที่เกิดขึ้นตัณหาในที่นี้ ท่านหมายเอาความเป็นผู้ใฝ่ฝันหาความสุขในการมคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นคาริหัดก็หมายความว่าเป็นคนมีความรักหลายใจเป็นผู้บวชพึ่งผิดมิจฉาจานกรรมถ้าเป็นผู้ชายก็ได้ว่าไปเล่นชู้จากเมีย ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวนี่คำว่าลุ่มอำนาจเก่ตันหาในที่นี้นะถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็เป็นผู้ร่วงชิกขาบทเกียรกราคะตันหาเป็นเจ้าชู้มายาอนี้นะ ข้อไปทำความสนิทคิดเชื่อกับเพศตรงกันข้ามอันนี้เรเรียกว่ารู้อำนาจเกตตัญหาให้เข้าใจมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมจริงๆเลยเป็นนักบวชอ่ะเป็นนักบวชนี่มันต้องเว้นจากกรรมคุณทั้งทางกายทางวาจาทาง จ, จิตใจ ต้องพยายามเว้นแต่อย่างนั้นเลื่อยไปเลยจึงจึงได้ชื่อว่านักบวชหรือว่าพรหมจรรย์เป็นอย่างนั้นเว้นทางกายกายก็ไม่ร่วงพุทธบัญญัตนิ น, นั้นเลยอย่างนี้แหละทำไมร่วงพุทธบัญญัติแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรอา้าวทางวาจาอย่างเนี้อ่ะ ทรงบัญญัติไปอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามเราไม่ล่วงไม่พูดล่วงคุทธบัญญัตินั้นไปอย่างนี้มันก็ไม่มีโทษอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเช่นพิสุไป น, นั่งพูดกันอยู่ในห้องกับผู้หญิงสองต่อสองย่างนี้นะเนี่ยปรับอาบาดปาจิตตีไว้แล้วอย่างนี้นะน นี่นี่นแบบที่ว่าพูดกันเฉยๆไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายอะไรก็ปรับอาบาัติในขั้นนี้ไว้ก่อนทีถ้าลงไปจับต้องกายเข้าไปด้วยความก็น่ยยินดีก็ปรับอาบัติทั้งคาทิเศตเข้าไปถ้าเลยนั้นเข้าไปก็ปรับอาบัติปาราชิกอืมก็อย่างนี้แหละ อันคุธบัญญัตินี่นะที่โคงทรงบัญญัติท่าไว้ก็เพราะไม่ให้รู้อำนาจเกตันหาเรล่านี้เองอันนี้ต้องให้รู้จักความหมายถ้าไปสนิทชิดเชื่อกันอำนากเข้าไปมันก็เกิดราคะตันหาขึ้นไอคนเรานี่นยะเพศตรงกันข้ามนี่นะมันเป็นงั้นแต่ทุกวันนี้ ไม่ว่าแล้วไม่ป่าเดียวกันมันก็ผสมปะเนกันไม่หมดเลยนี่แหละ ส, สมัยคนอายุสั้นราคะปัญหามันแรงกล้ามากไม่ว่าเพศตรงกันข้ามอะไรเพศเดียวกันมันก็สมสู่กันได้เลยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้ามไว้ ดัง น, นั้นเราเป็นบริษัทของพระองค์นะต้องเคารพไม่ร่วงเกินต้องระมัดระวังตัวต้องสำรวมตนให้ดีเหมือนอย่างเกลือมันรักษาความเค็มไว้ดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วเหมือนอย่างแร่มันรักษาเนอของมันเหมือนช้างมันรักษางาของมัน ไว้มันหวงแห็นนะงานมันช่างนี่แหละไอเราคู่เป็นบริษัทของมุสยเจ้าเราก็รักศิลรักทำคําสอนของมุสยเจ้านั่นแหละให้เข้าเทียมกับชีวิต ต, ตัวเองเลยเมื่อเรารักศิลรักทำอย่างนั้นเราก็ไม่ร่วงเกินนะเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตาม จิตใจมันก็สงบได้เนแหลจะเจริญสมาธิอิปัสสนาในมันก็คล่องแคล่วเพราะว่าใจมันสงบมาแต่ศีลแล้วสงบจากบาปอากุศลต่างๆนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไปเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปใจมันก็สงบโรงเร็วเพราะมันไม่มีบาปอากุศลมารบกวน มันเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้เหตุผลธรรมะแต่ละอย่างนั้นมันมีความหมายอย่างนี้แหละทีนี้สำหรับผู้ที่เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นอุบาสกวาสิกาก็หมายเอาผู้มีศีลห้าเป็นนิจจศีลเลย ทีนี้ตัวมีสินแล้วก็ตั้งใจอยู่ว่าขอให้ท่านผู้มีสินจงมาสู่บ้านเรือนของเราเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนี่เราก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นไอ้ผู้ไม่มีสินนั่นอย่ามาเลยคล้ายๆกับว่าอย่างนั้นแหละพอเราไม่ต้องการคนไม่มีสินเนี่ยเพราอมัน ชอบเบียดเบียนผู้อื่นทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนไม่มีศีลเน่ยเจนพระภิกษุสามเณรก็ตั้งใจอย่างว่าเราอยู่ในวัดในอารามใดเราก็ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสก็ขอให้มาเมื่อมาแล้วเราก็ต้อนรับโดยความยินดี อำหนวยความสะดวกให้เท่าที่จะทําได้อืเนี่ยก็ขอให้ท่านเหล่านั่นอยู่เป็นสุขเป็นสุขเราตั้งใจตรงอย่างนี้ทาไมตั้งใจอย่างนี้ไปเห็นอากันตุกะมาก็นึกรังเกียจแล้วเหมือนหน้านี้ไม่ต้อนรับขับสู้อย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเลยอื ขาดมูขาดเพื่อนเข้าไปมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญ น, นนะถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของถิ่นเห็นอาคันทู ก, กะมาซึ่งท่านเป็นผู้สารวมตนด้วยดีเราก็ยินดีต้อนรับขับสู้ถ้าท่านเป็นผู้มีอายุพันสามากก็กลาป้วยแต่ถ้าเป็นผู้น้อยขว้วตน เพื่อนก็รู้พ่อวัดเพื่อนก็กราบแล้วเราก็รับไหว้อย่างนี้สนทราปราสายไส่ถามสุขคุ ก, กันตามสมอาสมควรแล้วก่อนนี้นเวลากติกาของวัดเวลานั้นทากิจวัตรอย่างนั้นเวลานั้นทำกิจวัตรอย่างนั้นเช่นออกวินทาบาทตอนเช้าเวลาเท่านั้น เออะไรอย่างนี้นะแต่ที่การของวัดมีอะไรก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมาใหม่ไม่รู้เช่นเมื่อไม่รู้อย่างว่าาวัดนี้ออกบินเบจตัแต่เช้านี้เพื่อนนึกว่าสายแล้วจึงออกก็มาไม่ทันแล้วอออย่างนี้มันก็เป็นกับเจ้าของถิ่นะไม่บอกเวลาให้เพื่อนแต่บางองค์เพื่อนก็ฉลาดขึ้นก็ถาม ถามเจ้าทินถามถึงกติกาของวัดมีอะไรต่ออะไรบ้างออบางองค์ที่ไม่เชี่ยวชาญเมื่อเมื่อเราเห็นว่าท่านไม่ชำนาญในเรื่องบุริเราก็แนะนำใจเองไม่ถือตัวอย่างนั้นแหละออนี่เรียก ว, ว่าอปริหาริยธรรม ทำไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเจริญทง้งภายนอกก็ได้แก่ความสมดุกสมานสามคัคคีมีผู้อยากจะไปมาหาสู่เช่นอย่างในวัดของเราอย่างนี้นะนี่ลทั้งแม่ชีทั้งพระภิกษุสามเณรก็ คราดรู้จักต้อนรับปาศัยแขกคนไปมาอย่างนี้แล้ววันนี้ผู้พวกแขกคนอาคันดุกาที่ไปมาหาสู่เมื่อได้ต้อนรับ้วยอัธยาศัยมยตรีอันดีเพื่อนกกคออกกอใจเมื่อมีโอกาสก็มาใหม่มาอีกนี่วัดเราก็อบอุ่น นันเลก็ไม่จืดชืดก็เป็นประโยชนท์ทั้งแก่ตนเองนะแก่หมู่แก่คณะไปอย่างนี้นหะดันงนั้นนะขอให้พากันเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้ า, าทรงแสดงไว้นี่เราต้องน้อมเข้าไปพิจารณา ให้มันเห็นด้วยใจของเราเองในข้อทำเจ็ดประการเนี่ยหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทํากิจที่หมูลคณะจะต้องทำอย่างนี้แหละ สามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไปแล้วสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไวส้สท่านผู้ใดเป็นใหญ่เป็นประธานในหมู่ในคณะให้เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคําท่านเหล่านั้นเอ ห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นในใจดังอธิบายให้ฟังมานั่นแหละ 6. กให้เป็นผู้ยินดีในสถานที่อันสงบสงัดอย่างเป็นครือหัดอย่างนี้เมื่อมีโอกาสเราก็ปลีกตนเข้าวัดชัวระยะวันพระวันศีลหมดหรือว่าชั่วระยะหนึ่ง อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้แสวงหาที่สงบสงัดข้อสุดท้ายก็ตั้งใจอยู่ว่าขอให้ท่านผู้มีศีลจงมาสู่ที่อยู่ที่อาศัยของตนเมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนี่เรียกว่าอปริหานียธรรมเกตประการเพราะฉะนั้นเมื่อใดได้ฟังแล้วพึ่งพากันจดจาเอาน้อมนาไปปฏิบัติตาม ก็จะประสบความสุขความเจริญนั่งแสดงมาขอจบโรงเพียงเท่านี้